ปัตนี้จกแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปนยะแห่งพระพุทธดำรัสที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้สัตว์แก่ท่านชจตุกันนีมานพในชจตุกันนีมานวากะปัญหานั้นได้รับสั่งแสดงว่า ท่านหนแล้วซึ่งเนคข ม, มะโดยความกเกษเมจงกำจัดความกำหนัดในกามทั้งหลายเสียกิดเดชเครื่องกังบลที่ท่านยึดไว้ควรสลัดเสียอย่าได้มีแก่ท่านเลยซึ่งเป็นการแสดงหลักการปฏิบัติที่มุ่งพัฒนาจิตใจเข้าถึงจุดที่อุดมสำนวนทางภาษาบาลีท่านเรียกว่า พระธรรมเทศนาที่มีพระอรหันต์เป็นยอดแต่ในเชิงของการประพฤติปฏิบัติแล้วธรรมปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนานั้นมีการศึกษาโดยลําดับมีการปฏิบัติโดยลําดับและมีการบรรลุผลโดยลําดับทั้งในชั้นของโลกิยธรรม และในชั้นของโลกุตตรธรรมวันธรรมะปฏิบัติที่ทรงแสดงโดยนยะอะไรก็ตามจะมุ่งเน้นไปในการประพฤติปฏิบัติซึ่งเป็นส่วนของปฏิบัติสัจธรรมบางครั้งก็อาจจะแสดงครบสมบูรณ์ในสูตรของอ ร, ริยสัจทั้งสี่ประการ บางครั้งก็อาจจะแสดงในส่วนของทุกษ์สมุทรยศหรือมารษัตรา ต, ตามสมควรแก่กรณีพระพุทธดำรัสข้อนี้ได้ทรงชี้ไปที่การขาจัดส่วนแห่งสมุทรยศได้แก่ปู้กิเลทั้งหลายแต่ว่าการที่บุคคลจะลงมือประพฤติปฏิบัติ จนสามารถขจัดกิเลสออกไปจากใจได้ก็ต้องมีปัญญาเครื่องพิจิตรนิพิจนาเทียบเคียงระหว่างสองสิ่งด้วยกันคือใจที่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสกับใจที่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของธรรมะว่าอะไรให้ความสุขความส ง, งบความยเยอกเจิน ความปลอดเปลยปลอดภัยแก่ตนได้มากกว่า่ถ้าหากว่ายังมองอะไรไม่ชัดเจนการลดละส่วนของกิเลสก็เกิดขึ้นได้โดยยากก็ น, นี่พึงสังเกตแม้แต่การทำงานหรือการจะไปในที่ใดของบุคคลก็ตามถ้าหากว่า บุคคลมองเทียบเคียงถึงผลที่จะพึงได้จากการไปและจากการอยู่ไม่ชัดเจนการไปก็เกิดขึ้นได้ยากแต่ถ้าาก็มองเห็นผลซึ่งเกิดขึ้นจากการไปว่ามีดีกว่าการอยู่บุคคลก็พร้อมที่จะไปธรรมปฏิบัติในทางาศาสนาจึงมักจะมีลักษณะอย่างนั้นคือจะต้องมีการวิเคราะห์ตรวจสอบ ถึงสิ่งสองสิ่งที่ตนจะต้องเลือกเสมอไปดังนั้นในที่นี้เนื่องจากผู้ถามมุ่งมั่นในผลสูงสุดรูุ้ทเจ้าก็ทรงแสดงเป้าหมายสูงสุดไว้นั้นก็คือการออกจากอำนาจของกิเลสเพื่อสู่คุณอันยิิงใจที่เริ่มต้น ด้วยการเป็นนักบวชและประพฤติปฏิบัติเรื่อยไปจนถึงจุดสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาและในการปฏิบัตินั้นเฉพาะในกรณีนี้ก็ส่งเน้นถึงสิ่งที่จะต้องมองให้เห็นโทษของจิตซึ่งมีความกำหนัดในกามทั้งหลายเสีย แล้วไม่ใช่เป็นการมองเห็นโทษเฉยๆมองเห็นโทษแล้วจะต้องพยายามกำจัดความกำหนัดในกามทั้งหลายปัจจัยที่จะให้เกิดความกำหนัดในกามทั้งหลายนั้นอาศัยองค์ประกอบสองประการเสมอไปคือประกอบภายในได้แก่จิตที่ยังมีกิเลสกามอยู่ องประกอบภายนอกคือพวกวัตถุกรรมทั้งหลายซึ่งได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสปุถะพะแล้วก็ธรรมารมซึ่งก็ไม่อื่นไปจากเรื่องเหล่านี้แต่ปัจจัยใหญ่นั้นอยู่ที่กิเลสภายในประเทศที่จริงแล้ววัตถุทั้งหลายข้างนอกนั้นมันขึ้นอยู่กับการปรุงคิดการพิจปรุงของบุคคลการกําหนดหมายของบุคคล จะว่าสวยว่างามก็สวยงามสําหรับเขาจะว่าไม่สวยไม่างามก็ได้เมื่อว่าไม่สวยไม่างามให้ความกําหนัดเพลิดเพลินยินดีในสิ่งเหล่านั้นก็ไม่เกิดขึ้นแต่ถ้าไปกําหนดว่าสวยว่างามก็จะมีความกําหนัดยินดีเพลิดเพลินในสิ่งเหล่านั้นซึ่งบุคคลจะสังเกตเห็ว่าแม้ในวัตถุในบุคคลในสิ่งของชนิดเดียวกันนั่นเอง แต่จากการปรุงของจิตในโอกาสที่แตกต่างกันบุคคลจะมีความรู้สึกต่อวัตถุบุคคลอารมณ์สิ่งของในแนวทางที่แตกต่างกันแม้แต่เกิดความกำหนัดหรือเกิดความรักอาจจะรักน้อยรักมากรักจนลุ่มหลงในความกำหนัดก็อาจจะกำหนัดน้อยกำหนัดมากหรือคลายความกำหนัดจนถึงกับหุนหงิตรำคาญต้องการจะทำลายต้องการจะทอดจริง ต้องการจะหนีไปจากสิ่งเหล่านั้นเป็นต้นตัวการจึงไม่ได้อยู่ที่วัตถุภายนอกเท่าไรแต่มักจะอยู่ที่จิตใจของบุคคลเป็นตัวการสำคัญวัตถุภายนอกนั้นอาจจะเป็นองค์ประกอบในการคลายความกำนัดเป็นยกตัวอย่างว่ารูปอายามี่ประณีต จิตก็จะกำหนัดในความประนีตของรูปเหล่านั้นมีความเพลิดเพลินชื่นชมยินดีต่อความประนีตของรูปนั้นแต่เมื่อรูปเริ่มเปลี่ยนแปลงไปใจก็จะคลายกำหนัดในรูปนั้นอาจจะสละละวางหรือทิ้งไปก็ได้แต่ว่าการคลายในแนวนั้นเป็นการคลายเพื่อแสวงหารูปซึ่งตนต้องการการลดละของกิเลสก็ยังไม่เกิดขึ้น มีน้ำซ้มจะมีการปล่อยควาเพิ่มปูนมากยิ่งขึ้นในซ้ำไปเพราะตนากเกิดขึ้นกับสิบใจจะมองในจุดหนึ่งว่าไม่สวยไม่งามแต่ตาก็ชำเลืองมองไปในที่อื่นเงี่ยหูฟังในที่อื่นแสวงหารูปที่สวยงามต้องการฟังเสียงที่ไพเราะสืบเนื่องกันตลอดไปและในที่สุด บุคคลก็จะวิ่งไล่ความจากในวัตถุกรรมทั้งหลายเหล่านั้นวรานันถ้าต้องการผลคือความสงบอย่างแท้จริงที่ท่านเรียกว่าวิราคะคือสภาพจิตที่ปราศจากความกับหนัดในวัตถุกรรมเพราะไม่มีกิเลสเป็นเหตุได้กําหนัดกรนี้พึ่งสังเกตว่าไอ้สองอย่างนี้จะต้อง เ, อเกี่ยวข้องกันอยู่เสมอ แม้มีวัตถุกลามอยู่ข้างนอกแต่ประนีตอย่างไรก็ตามถ้าใจเราไม่กำหนดว่ารูปสวยเสียงไพเราะ ก, กลิ่นหอมรสอร่อยสมัมผัสน่าจับลองอาการข่อยคว้าทางใจก็จะไม่เกิดขึ้นส่วนกริยาที่แสดงออกมาข้างนอกนั้นแน่นอนเลยเกินเมื่อใจไม่เกิดการกำหนดหมายในแนวนั้นก็จะไม่มีการดิ้นรนสวยงาเพื่อให้ได้มาไว้ในครอบครองแต่ในาขณะเดียวกัน ถ้าว่าจิตเริ่มคลายความกำหนนะัดที่เรียกว่าเข้าถึงวิรากะแม้จะมีการกระตุ้นเร่งเรา้าที่เรียกว่าไม่รุนแรงเกินไปใจของบุคคลเหล่านั้นก็ส ง, งบอยู่ได้แต่ถ้ากระตุ้นเร่งเร้ามากเกินไปขณะที่ใจยังไม่บัานคงพอก็อาจจะเปลี่ยนแปลงกลับกลายได้ แต่ถ้าความคลายกำหนัดนั้นถึงจุดที่สมบูรณ์จริงๆแล้วจะมีลักษณะเหมือนภูเขาศิลาแท่งตึกที่ไม่โยกครอนวันไวแม้ด้วยลมพายุที่พัดมาจากทิศทั้งสี่คนนี้เพิ่งดูตัวอย่างพระไัยของพระพุทธเจ้าหลังจากการศัสรูแล้วก็ถูกนางตันหานางราคานางอรารติมายุยยวนด้วยพิธีการต่างๆ ซึ่งถือว่าเป็นบ่วงที่คล้องใจผู้ชายให้สยบแต่พระผู้มีพระภาคนั้นไม่มีกิเลสเป็นเหตุกหนัดเพราะความกหนัดได้หมดไปจากพระไทยรูปเหล่านั้นจะปรุงแต่งอย่างไรมันทำลายจิตใจคนอื่นได้แต่ทำลายจิตใจของท่านซึ่งไม่มีกิเลสสกาไม่ได้และผลเช่นนี้ย่อมเกิดขึ้นแก่ ท่านที่หมดสิน้นความกำหนัดในการทั้งหลายว่าจะเป็นพระอรหันต์ที่เป็นภิกษุที่เป็นสามมณเณรที่เป็นภิกษุณีที่เป็นสามมณีรศหรือนางสิกขมานาก็ตามาข้อต่อไปส่งเน้นไปที่กิเลสเป็นเครื่องกังวลที่ท่านยึดไว้ก็รับสั่งให้สลัดเสียอย่าให้มีแก่ท่าน กิเลสเป็นเครื่องกิเลสเป็นเครื่องกังวลาตามปกติแล้วจะจแนกสแสดงไว้โดยเอเนกกระปรยายเพราะว่าถ้ามีกิเลสมันก็ต้องกังวลทั้งนั้นจะสมมติว่าความรักเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดกังวลความโกรธก็เป็นเหตุให้เกิดกังวลความหลงก็เป็นเหตุให้เกิดกังวลเพราะกิเลสแล้วจะต้องกังวลเป็นเรื่องแน่นอน จนสมมติว่าเรามีคนรักเราไม่พูดที่เรารักเราก็กังวลห่วงใยตั้งการจากไปไปที่ไหนกินอยู่อย่างไรของบุคคลดอกนั้นแต่แม้จะอยู่ด้วยกันก็มีความกังวลกลัวเขาจะไม่พอใจกลัวเขาจะน้อยใจกลัวเขาจะไม่ชอบใจพยายามสอบถามติดต้องการจะะอกเอาใจอยู่เสมอนี่ก็คือแสดงลักษณะกังวล ทำอาหารมาแล้วก็ต้องสอบถามดูอร่อยไมมดีไหมชอบใจไหมจะเติมอะไรไมมอะไรแต่เ น, นี่ยนั่นเป็นลักษณะของความกังบนแต่เมื่อกล่าวโดยเป็นสูตรซึ่งสามารถเชื่อมโยงไปในที่ไหนๆก็ได้ต่ก็แสดงทั้งแนวหยาบและแนวละเอียดซึ่งก็หมายความว่ า, าจากหยาบนั้นก็คือพวกทุจริตเกิดแตเรามองจากหยาบไปก็จะเห็นว่าพวกทุจริตทางกายทางวิชานี่ มันเป็นเหตุใ้เกิดความกังวลเช่นผู้ฆ่าผู้เบียดเบียนก็กังวลต่อการฆ่าต่อการเบียดเบียนต่อและกังวลต่อผลคือความทุกข์ความเดือดร้อนที่ตนจะประสบในโอกาสต่อไปตลอดถึงกังวลต่อภายในอบายเป็นต้นเรียคนที่ซือว่าสิ่งของซึ่งจบของก็ไปในให้ มีความวิตกกังวลที่จริงวิตกกังวลมาตั้งแต่ก่อนจะถือในขณะถือเอาแล้วก็นำจากไปใจนั้นจะมีความหวาดระแวงสแสดงพิรุษวิตกกังวลเดือดร้อนสูญเสียความมั่นใจตลอดระยะเวลาที่ยังเกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านั้นอยู่จนถึงกับมีความกังวลต่อภัยในอบาย ลักษณะเหล่านี้บางครั้งก็แสดงในรูปที่ปฏิเสธเรื่องนรกสวรรค์อคนปฏิเสธนรกสวรรค์นั้นบางพวกปันการปฏิเสธเพราะไม่รู้อะไรบางพวกเป็นผู้ที่ปฏิเสธเพราะความกลัวคือกลัวภายในในรกมีความเชื่อครึ่งไม่เชื่อเครื่ง แต่ว่าตนก็ทาความชั่วความผิดได้มากก็กลัวว่าเมื่อตายไปแล้วจะตกนรก ว, นวิธีที่ดีที่สุดก็คือพยายามปลุกปลอบใจตัวเองให้เห็นว่านรกนั้นไม่มีหรอกมันมีลักษณะเหมือนกับบุคคลที่เดินไปในที่มืดในที่เปลี่ยวเพียงคนเดียวส่วนรู้ของจิตใจนั้นมีความกลัวผีอยู่ แต่พยายามปลอบใจตัวเองให้มีความรู้สึกคล้ายๆกับว่ามีความไม่มีผีหรือว่ามีเพื่อนแต่เมื่อไม่มีเพื่อนก็พยายามส่งเสียงโดยการพูดหรือการร้องเพลงหรือการตะโกนก็แล้วแต่จะทานี่ก็คือลักษณะการปลอบใจของบุคคลแต่จริงภายในใจนั้นเมื่อสาวลึกลงไปก็จะพบว่าภายในใจเขากังวลอยู่ด้วยความกลัว เพราทุกพวกทุกจริตทั้งหลายไม่ว่าจะทุจริตทางวาจาทุจริตทางใจทุจริตทางกายก็ตามก็ถือว่าเป็นเหตุให้เกิดความกังวลในส่วนที่เป็นรูปธรรมเราก็หยาบเพียนก็นได้ง่ายๆแต่จะตั้งปัญหาถามว่าถ้าบุคคลไม่ประกอบประธรรมในสิ่งที่เป็นทุจริตจิตใจก็จะกังวลไหมบุคคลก็อาจจะมองดูที่ใจกันตัวเอง ก็จะเห็นว่าเราไม่รู้สึกเดือดร้อนอะไรเช่นมีการพูดถึงคนซึ่งกระทาทุจริตอย่างนั้นอย่างนี้เกี่ยวกับทรัพย์สินเกี่ยวกับร่างกายของบุคคลอื่นเกี่ยวกับผู้ครองของบุคคลอื่นเราจะนั่งฟังด้วยความสงบเื่อจะเกิดความสลดใจเวลอเกิดความสงสารผู้ที่ถูกเบียดเบียน ในผู้ที่ทำหน้าที่เบียดเียนแต่เจเราจะไม่เดือดร้อนบางครั้งอาจจะส ง, งบอยู่ด้วยหลักของกรรมสกตายานคือมองเห็นความจริงทั้งการติสัตว์ทั้งหลายจะต้องเป็นผู้มีกรรมเป็นของของตนอย่างที่สุดกันในวพวกกิเลสเป็นเรื่องกังวล น, นั้นบางครั้งก็พูดถึงตัวกิเลส ห, หมายความว่าความรู้สึกอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นแล้วทําจิตใจเศร้าหมองมันก็เป็นกินเลสทั้งนั้น ต, ต้นต่อของเขาก็มาจากความโลภความโกรธความหลงดังที่ทราบกันเพราะนักตรัพใดที่มีกิเลสอยู่ความกังวลภายในใจต้องมีอยู่หรือบางครั้งอาจจะเป็นเรื่องของทิฏฐิคือความเห็นเช่นความเห็นของบุคคลซึ่งปักใจฝังใจลงไปในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของความเห็นผิดหรือความเห็นครึ่งๆกลางๆจะทําให้บุคคลไม่มีความมั่นใจในเรื่องเนั้นมีความผิดตกกังวลต่อการคัดค้านการโต้แย้งของบุคคลอื่นแในบางครั้งก็อาจจะต้องไปทุ่มเทียงกับบุคคลอื่นซึ่งมีความเห็นไม่ตรงกรนัน แต่เมื่อมีการทุ่มเทียงกันไปแล้วเขาก็กลายเป็นวั จ, จีทุจริตไปแล้วใจมันก็เพิ่มความกังบนขึ้นมานี่คือสิ่งที่บุคคลจะต้องดูให้เห็นภายในใจท่านอาจจะเรียกชื่ อ, อยังไงก็ได้เพราะว่าในที่ทั่วไปแล้วท่านจะสรุปรวมลงไปว่ากิเลสเครื่องกังบลในภายใน ได้แก่ราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิกิเลตุจติริคือจะพูดอย่างนี้ส่วนมากก็จะเน้นไปในเรื่องเหล่านี้คือพูดเฉพาะตัวใหญ่มันแต่บุคคลต้องมองให้เห็นว่าแม้จะมีการจำแนกแสดงออกไปเช่นนั้นตัวราคะความกำหนัดก็คือเรื่องของโลภะนั่นเอง แต่ตามปกติเมื่อจะพูดกับนักบวชพระพุทธเจ้ามักใช้ราคาะนั้นแต่พวกชาวบ้านมักจะใช้โลภะส่วนโทสะโมหะนั้นก็จะใช้เหมือนกันถ้ากล่าวในกรณีสามองค์นี้เกิดกุศลสมูลสามองค์นี้แล้วในกรณีของความโลภ ก, ก็ดีความกำหนัดก็ดีราคะในแปลความกำหนัดก็ดี ก, ก่อให้เกิดความกังวลไม่ต้องอะไรแม้แต่การปฏิบัติกรรมฐานอาการของรักคะในระดับที่กรุ่มรุมใจคือไม่รุนแรงก็คือสิ่งที่เรียกว่ากรรมชันได้แก่นิวรณข้อแรกที่เกิดขึ้นกรุ่มรุมใจให้ลองสังเกตว่า บางครั้งในขณะที่ปฏิบัติเอาเฉพาะตัวนี้ตัวเดียวก็แย่แลสิ่งที่เราเรียวกว่าปริพภทซึ่งผู้ปฏิบัติธรรมจะต้องตัดออกไปอย่างน้อยในขณะที่นั่งทงความสงบบุคคลอาจจะคิดถึงเรื่องศูนไร่นาสมบัติพรสถานรญาติพี่น้องลูกเต้าอาการเจ็บป่วยการเตรียมเดินทางการทำงานที่จะที่ทาแล้วที่กำลังจะทา จะคิดพร่านอยู่ในเรื่องหลอดนั้นเหมือนน้ำที่ถูกหยดสีลงไปมากมายหลายสีเหลือเกินใจก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามสีที่บนหยดลงไปบางครั้งแกก็จะสายโดยความมีตัวกังวล น, นั่นเองแต่จะสายสายไปกังวลถึงเรื่องที่ผ่านมาแล้ว ส่วนมากจะเกิดขึ้นมาจากทุกจริตโพรทุจริตเป็นเหตุให้เกิดความกางมังวลให้ลองสังเกตว่าป ร, ารอัอลบอดีตแล้วเกิดความกางมังวลนั้นจะเป็นเรื่องของทุจริตส่วนเรื่องของสุจริตเมื่อไปน้อมล้ำลึกถึงก็จะเกิดเป็นปีติโสมนัตินนี้เพิงสังเกตแนวปฏิบัติ อกศีลานุสติคื อ, อการย้อนระลึกถึงศีลของตนก็ดีจากขารนุสติการตามระลึกถึงการเสียสละการบริจาคของตนก็ดีที่จริงเป็นการย้อนอดีตแต่ว่าย้อนแล้วเกิดปีติปราโมทจิตใจก็สงบตั้งมั่นเป็นสมาธิขึ้นมาได้แต่ถ้าย้อนด้วยกิเลสคือย้อนด้วยความกังวล เห็นสมมติว่าอาจจะระลึกถึงศีลแต่ก็มองเห็นศีลในแง่ที่มีความบกพร่องรับศีลไปแล้วไปละเมิดศีลในข้อนั้นข้อนี้มีความบกพร่องในจุดนั้นจุดนี้ก็วมตกขั้นบนถึงบาปถึงความเดือดร้อนที่ตนจะได้รับการละเมิดศีลเหล่านั้น หือบางครั้งบางคราวมองในแนวของจากะแต่จากะนั้นมีจุดทุดจริตซึ่งเกิดขึ้นจากการบริจาคของตนและพอได้ยินได้ฟังธรรมะก็ดีการอ่านธรรมะก็ดีแต่ยินได้ฟังถึงผลของการให้ทานบางครั้งที่ให้ด้วยความไม่พอใจชอบใจสีหน้าไม่เบิกบานแก่มใส หรือให้ด้วยความโกรธผลของการให้ในลักษณะนั้นก็จะปรุงแต่งตส่วนรูปปั้นให้มีความเปลี่ยนแปลงไปตามอาการที่เกิดขึ้นในขณะให้อย่างที่ท่านเล่าถึงเรื่องของนางปัญจปาปาหรือนางปัญจปาปีาที่มีพิรุธอยู่ในใบหน้าของตนถึง ห้าจุดด้วยกันอันเป็นผลที่เกิดสืบเนื่องมาจากนางให้ทานด้วยความไม่เคารพด้วยความไม่พอใจในพระปัจเจกับพุทธเจ้าแม้จะเป็นการถวายก้อนดินเพื่อไปฉาบฝาที่ยอยู่ขระปัจเจกพุทธเจ้าผลล่านั้นก็ให้ตามสมควรเกิเหตุ คือการให้ด้วยความโกรธความไม่พอใจก็ออกมาในรูปหน้าตาบิดเบี้ยวแต่ว่าดินนั้นอำนวยประโยชน์ให้แก่พระระเจกัพพุทธเจ้าเ ธ, เธอจึงมีสัมผัสเป็นทิพย์ที่พอผู้ชายจับต้องก็จดหลงหลายครั้งคราจนในที่สุดก็กลายเป็นเมสีขามไจัเป็นดินถึงสองพระองค์ด้วยกันเพเมื่อได้ยินผลในทางลบ ก็จะเกิดวิตกกังวลกลัวว่าต่อไปเนี่ยเราคงจะ ห, หน้าตาไม่สวยงามเพราะเคยแสดงกิริยาอาการเช่นนั้นตอนนี้ถ้าเรามองย้อนย้อนกลับไปก็จะเห็นว่าที่จริงก็คืออาการของตัวสะนั่นเองตัวสะจึงเป็นตัวให้เกิดความกังวลและการแสดงออกในแนวนั้นก็คือทุจริตทางกายดังนั้นความทุจริตจึงเป็นออเครื่องกังวลอีกประการหนึ่ง ดังนั้นกิเลส ท, ที่เป็นเหตุให้เกิดกังวลบางครั้งจึงอาจจะเป็นเรื่องของกรรมบางครั้งจึงอาจจะเป็นเรื่องของกิเลสแต่ถ้ามองให้ซึ่งเราจะพบว่ามีความเกี่ยวเนื่องถึงกันระหว่างกรรมกับกิเลสและผลที่จะเกิดขึ้นมาจากกรรมกับกิเลสล้ว น, นแล้วแต่เป็นเหตุให้เกิดความขังบน ผู้ปรารถนาผลคือความสงบแม้ช่วงขณะของการระพฤตปฏิบัติกรรมฐานแม้ช่วงของการปฏิบัติงานของตนก็ต้องขจัดเครื่องกังวลออกไปอย่างน้อยในขณะนั้นๆถ้าตนทำงานอย่างหนึ่งแต่ว่าใจเป็นวิตกไปวิตกกังวลอยู่ในอีกเรื่องหนึ่งผลเสียก็จะบังเกิดขึ้น ดังนั้นผู้ปฏิบัติธรรมะในทางพระวุทธศาสนาในแต่ละจุดของการปฏิบัติแม้ในการให้ทานก็อย่าให้เกิดความกังวลขึ้นภายในใจอย่างที่ท่านแสดงถึงเรื่องความสมบูรณ์แห่งเจตนาในการให้ทานเอาไว้ ว่ก่อนให้ขณะให้หลังจากให้ก็ให้ใจประกอบด้วยความเสียสละด้วยความศรัทธาด้วยจากกะที่เกิดขึ้นในลักษณะที่ต่อเนื่องแต่บางครั้งบางคราวคนก็อาจจะไปปรุงคิดคิดปรุงให้เกิดความกังวลขึ้นภายในใจเจ่นว่าให้ทานไปแล้ว อาหารของตนไม่ดีพอก็ อ, อาจจะคิดว่าพระจะชันหรือไม่ฉันท่านจะเอาไปทําอะไรก็ไม่รู้ไปร่วมทําบุญก็ในที่ใดที่หนึ่งก็ อ, อาจจะปรุงคิดไปพอ เ, เงินที่เราบริจาคไปนั้นจะได้สร้างโบสถ์สร้างโรงเรียนสร้างโรงพยาบาลจริงหรือเปล่าหรือว่าจะถูกคนต้มเอาก็ไม่รู้จะคนยักย้ายถ่ายเทไปในเรื่องอื่นเขาก็ไม่รู้นี้ทําให้ เจตนาในช่วงสุดท้ายมีความเศ้ามองไปที่เรียกว่าอป拉เจตนาดังนั้นในแต่ละจุดเนี่ยท่านสอนให้ตัดความกังวลแล้วก็หยุดในส่วนของตนไว้ไม่ต้องไปปรุงต่อแต่ในกรณีของการให้ทานนั้นเราก็เสร็จภารกิจของเราแล้วมีเจตนามีการกระทามีผลที่เกิดขึ้นจากการกระทา โดยเฉพาะก็คือความสบายใจความปิติปราโมทย์ที่ได้ทำความดีถึงสัมผัสกันในขณะนั้นนั้นผลในโอกาสต่อไปนั้นก็จะเกิดสืบเนื่องมาโดยลำดับส่วนเขาจะเอาของเราไปทาอะไรก็เป็นเรื่องที่เขาจะต้องรับผิดชอบด้วยตัวของเขาเองมีเจตนาคนละอย่างมีการการะทําคนละอย่างเป็นเรื่ององคนละเหตุคนละผลกัน กิเลสเครื่องกังวลจึงไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องมีเฉพาะท่านที่จะบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันตานั้นทุกจุดของการดำเนินชีวิตบุคคลจะต้องมีจิตใจที่กิเลสเป็นเหตุกังวลหรือการกระทาที่เป็นเีตุเกิดกังวลมีความเจือจางเบาบางลงไปจากจิต อยู่ในจุดที่จะให้เกิดความสุขความสงบขึ้นมาได้แล้วเมื่อนั้นชันทะวิริยะจิตะวิมังสาก็จะเกิดเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นที่จะเร่งลงมือประพฤติปฏิบัติเพื่อสัมผัสผ ล, ผลที่ประณีตขึ้นสงบขึ้นสูงขึ้นให้เต็มตามกําลังสามารถของตนผลจะเกิดขึ้นในขั้นใดระดับใดเป็นเรื่องที่บุคคลตนนั้นจะรู้ได้ด้วยตัวเอง ต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบต่อไป